บทสัรเสริญธรรมธาตุมันมีบางสิ่งที่ซึ่งตราบที่ยังไม่เป็นที่รู้จักย่อมมีผลกับชีวิตนี้ในภพภูมิทั้งสามมันมีอยู่แล้วในสรรพชีวิตทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาแด่ธรรมธาตุอันยิ่งใหญ่เมื่อสิ่งที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัฏ ถูกขจัดไปให้บริสุทธิ์บนขั้นตอนต่างๆในมรรคตัวความบริสุทธิ์เองนี้แหละคือนิพพานซึ่งแน่นอนมันคือธรรมกายเช่นกันดังเช่นเนยที่เป็นสิ่งที่แฝงอยู่แล้วในนมมันผสมกลมกลืนกันและไม่อาจปรากฏเห็นเช่นเดียวกันธรรมธาตุก็มิอาจถูกเห็น ตราบที่ยังผสมกลมกลืนอยู่กับกิเลสตัณหาเมื่อนมได้ถูกทำให้บริสุทธิ์แก่นแท้ของเนอยอันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก็จะมีอาจถูกซ่อนเร้นอีกต่อไปเช่นเดียวกันเมื่อบริสุทธิ์แล้วจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ธรรมธาตุก็จะปราศจากความมัวหมองใดๆอีก เช่นเดียวกับตะเกียงน้ํามันที่จุดอยู่ในแจกันย่อมไม่อาจถูกเห็นได้แม้แต่เล็กน้อยตราบเท่าที่ธรรมธาตุยังถูกทิ้งอยู่ในแจกันแห่งกิเลสตัณหามันย่อมไม่อาจถูกเห็นเมื่อเจาะรูที่แจกันนั้นไม่ว่าจะรูเล็กหรือใหญ่หากเจาะในทิศทางใด โดยธรรมชาติของมันแสงสว่างย่อมส่องผ่านรูนั้นไปในทิศทางนั้นณขณะที่สมาธิแห่งปัญญายานสามารถทำลายแจกันแห่งกิเลส ข, ขณะนั้นเองแสงแห่งเปลวไฟภายในย่อมจะส่องสว่างออกมาไปในทุกแห่งหุนธรรมชาติไม่เคยเกิดและจะไม่มีวันดับ มันปราศจากกิเลสทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดมันไม่เคยมีสิ่งมัวหมองเช่นเดียวกับพลอยอันล้ำค่าย่อมสุขใสยอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อยังฝังตัวอยู่ในหินเราก็ไม่อาจมองเห็นความสุขใสนั้นได้เช่นกันแม้ว่าจะถูกบดบางอยู่ด้วยกิเลสตัหา ธรรมธาตุก็มิได้มัวมองไปแม้แต่น้อยในขณะที่สังสารวัตบทบางแสงของมันมันก็มิสามารถส่องสว่างได้ต่อเมื่อลุถึงนิพพานความสุขใสของมันจึงจะสามารถส่องสว่างออกมาหากหินนั้นมีแร่ทองอยู่เมื่อลงแรงสกัดย่อมได้ทองที่บริสุทธิ์ แต่หากหินนั้นมิได้มีแร่อยู่แรงที่ลงไปย่อมไม่อาจได้ผลอันใดนอกจากความทุกข์มเมล็ดข้าวย่อมอย่างไม่ใช่ข้าวตราบที่มันยังมีเปลือกหุ้มเช่นกันย่อมไม่อาจเรียกว่าพุทธะสำหรับผู้ที่ยังห่อหุ้มไปด้วยกิเลสตันหาเมื่อหลุดลอกออกจากเปลือกแล้ว มเมล็ดข้าวก็จะปรากฏเด่นชัดเช่นกันเมื่อหลุดลอกออกจากกิเลส ธ, ธรรมกายเองก็จะฉายแสงอย่างอิสระกล่าวกันว่าต้นกล้วยย่อมไม่มีแก่นคนเรามักใช้อุปมาณนี้อธิบายเรื่องโลกโลกแต่ผลกล้วยกลับมีแกนสารสาระหอมหวานที่ปลายลิ้นอย่างเมื่อกินเข้าไป เช่นกันสังสารวัตรนั้นไร้แก่นสารสาระแต่หากสามารถปลอกเปลือกแห่งกิเลตันหาออกได้ผลของมันคือพุทธภาวะช่างเป็นดุดน้ำอมฤตสำหรับสบรรพสัตว์จะได้ลิ้มชิมการเกิดของผลย่อมมาจากเมล็ดพันธุ์ของมันผู้มีเหตุผล ใครเล่าจะพยายามพิสูจน์ว่าผลสามารถเกิดได้จากมเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นธาตุพื้นฐานนั้นเป็นด่งมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งคุณธรรมทั้งหลายด้วยการค่อยๆขัดเกลาไปทีละขั้นย่อมบรรลุสู่พุทธภาวะได้ในที่สุด แม้ว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์จะไม่มัวหมองสิ่งปกกลุ่มทั้งห้าอันได้แก่โมเมฆหมอกควันราหูและฝุ่นก็สามารถบดบังมันได้สำหรับความใสกระจ่างของจิตนิวรทั้งห้าอันได้แก่กามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉา อุทธจั จ, จและถีนมิธะก็สามารถบทบังมันได้เช่นกันน้ำเดือดสามารถขจัดคราบสกปรกเปื้อนอันมัวหมองทั้งหลายของผ้าออกไปได้เมื่อจุ่มลงในน้ำนั้นคราบสกปรกทั้งหลายก็ถูกความร้อนขจัดออกไปโดยไม่ได้ทำลายเนื้อผ้า ในทำนองเดียวกันจิตอันใสกระจ่างที่แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสตัณหาความร้อนแห่งความตื่นรู้ตามธรรมชาติดั้งเดิมย่อมขจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปโดยไม่ได้ทำลายความใสกระจ่างของจิตในพระสูตรแห่งบรมครูไม่ว่าพระพุทธองค์จะกล่าวถึงความว่างเช่นไรวิธีการเหล่านั้นทั้งหมด สามารถช่วยขจัดกิเลสได้แต่ไม่ทำให้พุทธภาวะภายในนั้นลดลงดังเช่นน้ำใต้ดินย่อมสะอาดและสงบนิ่งอยู่โดยไม่ถูกแปดเปื้อนด้วยสิ่งใดความตื่นรู้ตามธรรมชาติก็สงบนิ่งอยู่ท่ามกลางกิเลสปัญหาและคงอิสระจากสิ่งมัวหมองทั้งปวง ธรรมาธาตุนั้นไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ทั้งความเป็นหญิงหรือชายมันนอกเหนือทุกสิ่งที่ถูกรับรู้ได้แล้วมันจะถูกสอนว่าเป็นตัวตนที่แท้ของบุคคลได้อย่างไรในปรากฏการณ์ทั้งหลายโดยตัวมันเองแล้วอิสระจากกิเลสตัณหาย่อมไม่มีความเป็นหญิงชาย แต่ความเป็นหญิงชายได้ถูกสอนก็เพื่อประโยชน์ในการฝึกผู้ที่ยังมืดบอดไปด้วยกิเลสตัณหาอณิจังทุกขังและอนัตตาการเข้าใจแจ้งชัดในบัญญัติทั้งสามนี้ช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์แต่สิ่งที่จะทำให้จิตคืนสู่ความบริสุทธิ์เดิมแท้ของมันได้ก็คือคำสอนที่ว่า ปรากฏการทั้งหลายล้วนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเหมือนทารกที่อยู่ในคันแม้มีอยู่แต่ก็ไม่ปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกันเมื่อถูกปกปิดด้วยกิเลสตัณหาธรรมธาตุก็ไม่สามารถปรากฏให้เห็นความคิดปรุงแต่งว่าฉันและของฉันความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับชื่อ และลักษณะของสิ่งต่างๆทั้งหมดล้วนมาจากความหลงหลงคิดว่าธาตุทั้งสี่และสิ่งที่เกิดขึ้นจากมันนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนมีได้ให้คุณค่าความหมายกับรูปลักษณะต่างๆในพุทธลักษณะหรือพุทธเกษตรที่ท่านได้ตั้งปฏิญาณไว้ อย่าเมื่อเป็นโพธิสัตว์เนื่องเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็คือธรรมชาติอันบริสุทธิ์แห่งความตื่นรู้ในตนเองอันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือธรรมตาเช่นเดียวกับเขากระต่ายมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงนอกจากในจินตนาการ ปรากฏการทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นแค่เพียงจินตนาการเนื่องเพราะมันมิได้ทำจากอนูที่เป็นก้อนแข็งเขาของวัวก็มิอาจถูกเห็นได้เช่นกันเนื่องเพราะมันไม่มีแม้แต่อนูเล็กๆที่มีอยู่จริงแล้วเราจินตนาการได้อย่างไรว่าสิ่งที่เกิดจากอนูนั้น จะมีอยู่จริงการเกิดเกิดขึ้นโดยอิงอาศัยเหตุปัจจัยและการดับก็เกิดขึ้นโดยอิงอาศัยเหตุปัจจัยมันจึงไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่มีอยู่จริงแล้วคนเข่าหลงเชื่อว่ามันมีอยู่ได้อย่างไรเช่นเดียวกับเขากระต่ายและเขาหัว พระพุทธองค์ได้พิสูจน์แล้วว่าปรากฏการ์ทั้งหลายมีใช่อะไรอื่นนอกจากทางสายกลางเหมือนดังเช่นบุคคลมองเห็นภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวที่สะท้อนอยู่ในน้ำอันใสนั่นเป็นตัวอย่างอันดีของสั ญ, ญลักษณ์และลักษณะของปรากฏการ์ทั้งหลาย สิ่งซึ่งดีในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดย่อมทำให้ไม่หลงผิดธรรมทาตมันมีลักษณะแห่งความมั่นคงและปราศจากความเป็นตัวตนแล้วมันถูกคิดว่าเป็นฉันหรือของฉันได้อย่างไรเช่นเดียวกับน้ำในฤดูร้อนย่อมถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งที่อุ่นแต่น้ำ กลับถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งที่เย็นในตลอดฤดูหนาวผู้ที่ติดอยู่ในตาข่ายแห่งกิเลสตัณหาย่อมถูกเรียกว่าสับพสัตเช่นกันเมื่อเป็นอิสระจากกิเลสตัณหาย่อมถูกเรียกว่าพุทธะเมื่อตาและลูกมาสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องเหมาะสม ปรากฏการแห่งรูปก็ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดเนื่องเพราะสิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นหรือดับไปมันคือธรรมธาตุแม้จะถูกจินตนาการว่าเป็นอย่างอื่นเมื่อหูและเสียงมาสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องเหมาะสมความรู้สึกที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งจึงเกิดขึ้น ทั้งสามโดยแก่นแท้แล้วคือธรรมธาตุอันปราศจากลักษณะใดๆแต่มันกลายเป็นการได้ยินก็ต่อเมื่อมีความคิดปรุงแต่งเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นบุคคลจึงได้กลิ่นและจากตัวอย่างในเรื่องรูปมันจึงไม่ได้เกิดขึ้นหรือดับไป แต่เพราะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของความรู้สึกทางจมูกธรรมธาตุก็เลยถูกคิดว่าเป็นการได้กลิ่นธรรมชาติของลิ้นนั้นว่างเปล่าอาณาจักรแห่งรสก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกันนี่คือแก่นแท้ของธรรมธาตุและไม่ใช่เหตุของความรู้สึกรับรสแก่นแท้ของกายอันบริสุทธิ์ ลักษณะของวัตถุที่มาสัมผัสความรู้สึกสัมผัสที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดถูกเรียกว่าธรรมธาตุปรากฏการทั้งหลายที่ปรากฏต่อมโนวิญญาณอันเป็นหัวหน้าของทั้งหมดล้วนถูกต่อเติมด้วยความคิดปรุงแต่งเมื่อไม่มีการปรุงแต่งเช่นนี้ปรากฏการ อันว่างเปล่าจากตัวตนก็จะประจักษ์การแจ้งประจักษ์ในสิ่งนี้คือการภาวนาในเรื่องธรรมธาตุดังนั้นเมื่อนักปฏิบัติเข้าใจแจ้งชัดในธรรมชาติอันแท้จริงของการเห็นการได้ยินการรับรสการรับรู้สัมผัสและการรับรู้ทางใจ ย่อมถึงความสมบูรณ์ในคุณธรรมอันวิเศษประตูรับรู้ความรู้สึกทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นบริสุทธิ์เต็มที่อยู่แล้วและความบริสุทธิ์ของวิญญาณทั้งหกก็เป็นลักษณะแห่งความเป็นเช่นนั้นเองที่มีอยู่แล้วลองคิดดูว่า จิตนั้นมีสองนัยยะได้อย่างไรมันสามารถเป็นโลกิยะมันสามารถเป็นโลกุตระเมื่อยึดติดในตัวตนก็เป็นสังสารวัฏเมื่อมันมีความเติ่นรู้ในตนเองมันก็คืนสู่ความเป็นเช่นนั้นเองการสิ้นไปแห่งตัณหาคือนิพพานเช่นเดียวกับโมหะและโทสะสิ้นไป เมื่อสิ่งเหล่านี้สิ้นไปก็คือพุทธภาวะซึ่งเป็นสาระอันประเสริฐสูงสุดบุคคลควรดำเนินไปด้วยความรอบรู้และดำเนินไปโดยปราศจากความเป็นสังสารวัฏและนิพพานซึ่งทั้งสองล้วนมีอยู่แล้วในกายนี้ไม่ว่าเธอจะยึดติดกับความคิดของเธอเอง หรือว่าเธอจะแจ้งชัดในธรรมชาติที่แท้จริงเธอก็เป็นอิสระความรู้แจ้งหลุดพ้นไม่ใช่ทั้งสิ่งที่ใกล้หรือไกลมันไม่ใช่ทั้งหนีไปไหนหรือมาหาเธอมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วในกรงขังแห่งกิเลสตัณหาของตัวเธอเองไม่ว่าเธอจะเห็นมันหรือไม่ การอยู่ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาจะนำไปสู่ความสงบสุขซึ่งนั่นคือสิ่งประเสริฐที่สุดการเฝ้าสังเกตและเรียนรู้ตนเองคือหนทางที่จะดำรงอยู่เช่นนั้นนี่คือสิ่งที่ล้วนกล่าวไว้ในพระสูตรทั้งหลายพลังทั้งสิบนั้นเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ยังอ่อนอยู่ เรากับแสงพระจันทร์วันเพนแต่ตราบที่พวกเขายังถูกมัดตรึงอยู่ด้วยกิเลสตัณหาพวกเขาก็ย่อมไม่สามารถมองเห็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนดั่งผู้ที่อยู่ในภูมิเปรตที่หิวโหยย่ยอมมองเห็นทะเลเบื้องหน้าว่าแห้งผากเช่นเดียวกับผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งอวิชชา ที่คิดว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสำหรับภูมิชั้นต่ำและมีบุญบารมีน้อยไม่ว่าพระพุทธองค์ท่านจะทำเช่นไรมันก็เหมือนกับการวางพลอยอันล้าค่าในมือผู้ที่ไม่รู้จักมันสำหรับผู้ที่สร้างสมบุญบารมีมาม า, มากเพียงพอพลังของมัน ย่อมแผ่รัศมีออกด้วยความผุดพองมหามงคลลักษณะทั้ง32ของผู้ฉลาดปราดเปรื่องเช่นนี้ล้วนมีอยู่แล้วในพระพุทธเจ้าพระผู้ปกป้องทั้งหลายได้อาศัยกายในรูปลักษณ์ต่างๆอันหลากหลายมาหลายกับและยังคงจะมีมาอีกแต่อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะฝึกลูกศิษย์ของตนท่านก็ได้ใช้วิธีการอันแตกต่างออกไปเช่นกันเพื่อให้ตรงไปอย่างเป้าหมายวิญญาณจึงเชื่อมต่อกับวัตถุเป้าหมายของมันด้วยความบริสุทธิ์แห่งความตื่นรู้ตามธรรมชาติคุณสมบัติทั้งหลายของโพธทสัตว์ที่มีอยู่แล้วภายในจึงยังคงอยู่ คุณวิเศษแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าอาณาจักรอันสวยงามแห่งอาการนิสตาและพลังแห่งความตื่นรู้ดั้งเดิมทั้งสามสิ่งนี้ผสมผสาน ร, รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งฉันไม่กล้าที่จะกล่าวถึงอีกอาการนิสตาคือดินแดนแห่งวัชระทาราหรือธรรมกายแห่งองค์พุทธะ สำหรับผู้ที่อินซีอ่อนจำต้องแสดงความรู้อันมากมายสำหรับผู้อินซีเลอร์สามารถแสดงได้หลากหลายวิธีสำหรับพวกพรมจำต้องใช้เวลายาวนานและนี่คือเหตุที่ช่วงชีวิตในกัปหนึ่งนั้นยาวนานมากนักมันเป็นเพราะสิ่งนั้น ที่ช่วยปกป้องสรรพสัตว์ในภูมิทั้งหลายและสามารถดำรงชีวิตไว้ได้นานนับกลับไม่ท้วนมันเป็นเพราะสิ่งนั้นที่ทำให้ชีวิตนั้นดำรงอยู่ได้ด้วยความอุตสาหะท่ามกลางเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือเหตุหลักที่เรียกว่าไม่มีจุดสิ้นสุดและผลของมันก็ไม่มีสิ้นสุดเช่นกัน เมื่อเข้าใจแจ้งชัดในเรื่องอันละเอียดอ่อนมากนี้ปัญญาเช่นนั้นก็จะเป็นปัจจัยต่อนิพพานความรู้แจ้งหลุดพ้นนั้นไม่ควรจะคิดว่าอยู่ห่างไกลหรือใกล้แค่เอื้อมเมื่ออิสระจากการรับรู้ทั้งปวงธรรมชาติอันแท้จริงจะถูกรู้ตามที่มันเป็น เหมือนกับน้ำและนมที่ผสมปนกันอยู่ในภาชนะเดียวแต่นกกระเรียนจะเลือกดื่มนมไม่ใช่น้ำกรณีของการปรับเปลี่ยน (transformation) ก็เช่นเดียวกันความตื่นรู้ดั้งเดิมตามธรรมชาติกิเลสตัณหาที่หุ้มหอ่อทั้งสองต่างพบอยู่ร่วมกันในกายนี้ แต่ผู้รู้จะเลือกใช้ความตื่นรู้และละทิ้งความหลงทั้งหลายไว้เบื้องหลังตราบที่ความเป็นฉันและของฉันยังมีอยู่และสิ่งภายนอกก็ถูกจินตนาการเมื่อแจ้งชัดในความไม่มีตัวตนของทั้งสองนั้นมเมล็ดพันธุ์แห่งความมีอยู่ก็ถูกทำลาย ธรรมาธาตุนั้นคือคุณสมบัติรากฐานของพุทธภาวะนิพพานความบริสุทธิ์และความเที่ยงแท้ถาวรผู้หลงชอบปรุงแต่งอัตตาตัวตนทั้งสองแบบแต่ผู้รู้ดำรงอยู่ได้โดยปราศจากทั้งสองสิ่งนี้ในทานการให้และการเสียสละ บุคคลต้องอดทนต่อความยากลําบากที่บีบคั้นศีลทั้งหลายก็มีเพื่อประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ด้วยขันติความอดทนอดกลั้นบุคคลจึงสามารถกระทําในสิ่งที่ดีงามได้ทั้งสามสิ่งนี้ย่อมเกื้อนหนุนให้เกิดความสามารถที่จะคลี่คลายออกด้วยวิริยะ ความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติตามคำสอนทั้งหมดและฝึกจิตของตนให้คงอยู่ในสมาธิอยู่เสมอด้วยการหมั่นใช้ปัญญาอย่างแยบคายความรู้แจ้งหลุดพ้นย่อมเจริญงอกงามและผลิดอกออกผลปัญญายานย่อมเกื้อนหนุนด้วยกุศโลบายอันเลิศปณิธานอันบริสุทธ กำลังอันเข้มแข็งและความรอบรู้ทั้งสี่สิ่งนี้ย่อมเกื้อนหนุนให้เกิดความสามารถที่จะคลี่คลายออกจงอย่าได้ตั้งปฏิญาณโพธิจิตคนบางคนอาจจะกล่าวคำพูดอันเป็นภัยร้ายแรงเช่นนี้หากไม่มีโพธิสัตว์เกิดขึ้นธรรมกายย่อมไม่อาจเอื้อมถึงผู้ที่กว้างผันอ้อยทิ้ง แต่กลับต้องการลิ้มรสหวานของน้ำตาลเพราะปราศจากพันอ้อยย่อมไม่อาจมีน้ำตาลได้แม้แต่น้อยต่อเมื่อบางคนรู้คุณค่าของพันอ้อยเฝ้าดูแลรักษาและเพาะปลูกมันอย่างดีเขาย่อมได้รับผลผลิตเป็นน้ำตาลอันหอมหวานในทำนองเดียวกัน ด้วยการรู้คุณค่าของโพธิจิตคงรักษาและปฏิบัติต่อมันอย่างดีพระ อ, อรหันต์และพระปัจเจกพุทธะย่อมบังเกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธเจ้าผู้บรรลุหลุดพ้นอันสูงสุดดังเช่นเมล็ดข้าวและพืชอื่นๆย่อมได้รับการดูแลรักษาจากชาวสวนชาวไร่อย่างดี ผู้สแสวงหาที่ปรารถนาจะเดินในทางอันยิ่งใหญ่ย่อมได้รับการดูแลจากผู้นําทางอย่างดีเยี่ยมเช่นกันเช่นเดียวกับพระจันทร์ในคืนวันแรมสิบสี่ําย่อมแทบจะมองไม่เห็นสําหรับผู้สแสวงหาที่ปรารถนาจะเดินในทางอันยิ่งใหญ่เบื้องต้นย่อมมองไม่เห็นกายทั้งสาม เช่นเดียวกับพระจันทร์ในคืนข้างขึ้นย่อมโตขึ้นโตขึ้นทุกทุกวันผู้ที่ถึงซึ่งโพธิสัตว์ภูมิย่อมมองเห็นธรรมกายชัดขึ้ น, ช, นชัดขึ้นเช่นกันเช่นเดียวกับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญย่อมโตเต็มดวงและสุขใสผู้ที่ถึงภูมิสุดท้ายแห่งโพธิสัตว์ธรรมกาย ย่อมสุขสว่างสดใสและสมบูรณ์โพธิจิตย่อมสมบูรณ์ด้วยการอุทิศตนอย่างแน่วแน่และมั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันได้เจริญมากขึ้นมากขึ้นอย่างไม่มีวันถดถอยเมื่อละการกระทาอันเป็นทางเสื่อมทั้งสี่ได้และตั้งมั่น อยู่ในการเจริญสิ่งที่ดีกว่าทั้งสี่และเมื่อบังเกิดความแจ้งชัดในความเป็นเช่นนั้นเองนี่คือความหมายของโพธิสัตว์ภูมิที่หนึ่งปีติอันยิ่งใหญ่ผู้มัวมองคือผู้ที่เคลื่อนออกจากแบบแผนอันดีงามเพราะความมัวมองแห่งตันหาและอื่นๆใครก็ตาม ที่ปราศจากสิ่งมัวหมองเหล่านี้ย่อมบริสุทธิ์และนี่คือความหมายของพวุทิสัต์ภูมิที่สองปราศจากสิ่งมัวหมองเมื่อตาข่ายแห่งกิเลสได้ฉีกขาดออกปัญญายานอันบริสุทธิ์ได้ฉายแสงและแสงสว่างของมันได้ช่วยขจัดความมืดในทุกแห่งหนอย่างไม่มีข้อจากัด เช่นนี้คือโพธิสัตว์ภูมิที่สาส่องสว่างมันส่องสว่างด้วยแสงที่บริสุทธิ์ความตื่นรู้ตามธรรมชาติดั้งเดิมซึ่งมีอยู่ในแสงที่ส่องไปทั่วทุกทิศได้ช่วยขจัดความเอ่ยเอียงทั้งหลายโพธิสัตว์ภูมิที่สีน่นี้จึงได้ชื่อว่าแผ่รัศมีเนื่องเพราะความตื่นรู้ ความสำเร็จและความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญในภูมินี้ขั้นต่างๆของสมาธิเองได้ถูกบรรลุถึงกิเลสอันละเอียดที่ยากจะทำให้บริสุทธิ์ได้ถูกขจัดหมดโพธิสัตว์ภูมิที่หจึงได้ชื่อว่าพ้นในสิ่งที่ข้ามพ้นได้ยากเมื่อบรรุถึงการหลุดพ้นทั้งสาม ทุกๆสิ่งก็พัฒนามาจนสมบูรณ์ไม่มีการเกิดอีกและการเสรื่อมสลายก็สิ้นสุดโพธิสัตว์ภูมิที่6นี้คือการแสดงออกอย่างแจ้งชัดเนื่องเพราะแสงสว่างอันสุกใสแห่งโพธิสัตว์ได้ส่องสว่างไปในทุกๆสิ่งที่แวดล้อมและพวกเขาได้ข้ามพ้นทะเลแห่งสังสารวัฏ โพธิสัตว์ภูมิที่7จึงได้ชื่อว่าผู้ไปถึงในที่อันไกลโพ้นด้วยการนำทางโดยพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยพลังแห่งความตื่นรู้ตามธรรมชาติดั้งเดิมทุกอย่างเป็นไปเองโดยไม่ได้ต้องพยายามกระทาโพธิสัตว์ภูมิที่8นี้จึงชื่อว่าไม่หวั่นไหว จากอำนาจของมารเนื่องเพราะโยคีผู้ปฏิบัติถึงภูมินี้ย่อมสมบูรณ์ด้วยความสามารถในการใช้คำพูดเพื่อสอนคนในทุกๆแง่มุมซึ่งเชื่อมโยงกับความตระหนักรู้อันถูกต้องแม่นยำโพธิสัตว์ภูมิที่9จึงได้ชื่อว่าปัญญาที่เลือกสรรร่างกายณจุดนี้ ล้วนประกอบไปด้วยความตื่นรู้ดั้งเดิมอันเป็นดั่งเช่นท้องฟ้าอันใสบริสุทธิ์ด้วยการเฝ้าระมัดระวังช่วยเหลือจากองค์พุท ธ, ธะทั้งหลายก่อให้เกิดเมฆแห่งธรรมครอบคลุมไปทุกทุกที่โพธิสัตว์ภูมิที่สิบนี้จึงได้ชื่อว่าเมฆแห่งธรรมคุณสมบัติพื้นฐานแห่งคุณธรรมของพระพุทธเจ้า ผลแห่งการฝึกฝนได้สมบูรณ์เต็มพร้อมในมือการปรับเปลี่ยนเสร็จสิ้นสมบูรณ์นี่ได้ชื่อว่าธรรมกายความโน้มเอียงไปในสังสารวัตนนั้นเป็นสิ่งที่พิจารณาเห็นได้แต่อิสรภาพจากความโน้มเอียงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาเธอนั้นช่างสุดที่จะอย่างถึงได้โดยแท้ แล้วใครเล่าจะมีพลังที่จะรู้จักตัวเธอนอกเหนือความเลือนลางแห่งคำพูดทั้งปวงและไม่ใช่วัตถุแห่งการรับรู้ที่ถูกยึดติดการแจ้งในเธอนั้นต้องอาศัยความตื่นรู้ตามธรรมชาติของจิตข้าขอยกย่องสรรเสริญทุกอย่างที่เธออบล้อมไว้ บุแห่งพระพุทธองค์ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายด้วยการเดินตามขั้นตอนไปทีละก้าวทีละก้าวด้วยความตื่นรู้อันดั้งเดิมที่ได้รับความเกื้อหนุนจากเมฆแห่งธรรมย่อมสามารถมองเห็นความว่างอันเป็นความบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายทันทีที่จิตถูกขจัดสิ่งมัวหมองออกไปหมด กรงแห่งสังสารวัรรที่จองจำอยู่ย่อมแตกสลายเมื่อนั้นนั่นคือที่ที่ถูกต้องบนอาสนะดอกบัวอันอัศจรรย์ล้อมรอบไปด้วยดอกบัวมากมายอาจเป็นนับสิบสิบล้านแต่ละดอกล้วนเต็มไปด้วยกลุ่มเกสร อ, อันเย้าวยวนกลีบของมันสุกสกาวไปด้วยเพชรพลอยเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่เพียบพร้อมไปด้วยพลังทั้งสิบความปราศจากความกลัวของท่านทำให้จิตของผู้อื่นพบสารติสุขคุณธรรมของท่านนั้นสุดจะประมาณได้และพวกท่านย่อมไม่ตกจากอาณาจรรักรแห่งความเรียบง่ายด้วยการปฏิบัติในทุกๆขั้นตอนอย่างดีเลิศท่านได้สร้างสมบารมี และปัญญามาอย่างเต็มเปี่ยมดังนั้นท่านจึงเป็นด่างพระจันทร์ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่ดาวมากมายด้วยมือที่เปรียบตุดดวงอาทิตย์พระพุทธองค์ได้ถือแก้วมณีบริสุทธิ์ที่ส่องแสงสุขใสด้วยสิ่งนี้พระพุทธองค์ได้มอบพลังให้แก่ทายาทผู้อาวุโสที่สุดนี่คือการอภิเศษ ผู้ที่เลิศที่สุดในทั้งหมดโยคีผู้ยิ่งใหญ่นั่งอยู่ในมิตินี้มองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกต่ำต้อยเพราะความมืดบอดของจิตผู้ที่ความทุกข์สามารถทำให้วันไหวและหวาดกลัวด้วยการเห็นพวกท่านพลังแสงได้แผ่ออกมาจากกายของท่าน โดยไม่มีความมัวหมองแม้แต่น้อยเปิดประตูสำหรับทุกๆุกคนที่ยังหลงท่องอยู่ในความมืดบอดอันสับสนของตนเองผู้ที่เข้าถึงนิพพานแต่ยังคงหลงเหลือความเชื่อว่าตนได้เข้าถึงนั่นปราศจากการเข้าถึงนิพพานที่เข้าถึงในแบบนั้นเป็นแค่เพียงความอิสระของจิต จากอำนาจกิเลสเท่านั้นแก่นแท้ของสรรพสัตว์นั้นปราศจากธาตุใดๆนั่นคือสิ่งที่พบได้ในมิตินี้การเห็นแจ้งในสิ่งนี้คือโพธิจิตอันยิ่งใหญ่ธรรมกายนั้นปราศจากสิ่งมัวหมองทั้งปวงเมื่อความบริสุทธิ์ทั้งหมดของธรรมกายถูกเห็นแจ้ง นี่คือการปรับเปลี่ยนอันสมบูรณ์อันเป็นมหาสมุทรแห่งปัญญาและเมื่อนั้นแก้วมณีอันล้ำค่าที่อยู่ก้นบึง้งจะได้เติมเต็มความปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลาย